Book two. 2ูเก้าตุมมิดวันวารุณลโนิโรจนลุวันจันทร์โสมวารัมวันอังคารมังลวารัมวันพุธ บุธวารมวันพฤหัสบบดีกุฬวารมวันศุกร์สุกรวารมวันเสาร์เซนิวารมวันอาทิตย์อธิวารมสัปดาห์อาทิตย์ วรัรรมตั้งแต่วันจันถึงวันอาทิตศมวากรนนุษย์ได้อธิบารื่วรนกุวันที่หนึ่งคือวันจันโมเดลิีราจูศุภากรมทุดีวันที่สองคือวันอังคารเรนเดวันเราจูมังกรวาระมทุดีวันที่สามคือวันพูธ มูดวรุ่งจุบุมุนด ว, วันที่สี่คือวันพฤหัสบดีน้าล ว, วัรุ่งกรุวาร์มอุวันที่ห้าคือวันศุกร์ไอเดอวรุ่สุรวาร์มออุวันที่หกคือวันเสาร์อา ร, ร์อวันรุ่งจวมุ วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์เยอดียวรโจูอ า, าอทิตย์รทนดหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันวารันลูเยอะโรจลุนตเราทำงานเพียงห้าวันมันงงแควลมไอ้เดโรจิเลปนเจสตาม